คือหลักเหตุผลคือหนึ่งหนึ่งเดียวคือใจหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ไอ้ข่ก็บกมันมันคือหนึ่งเดียวคือเหตุผลไล่ลงมาสรุปแล้วคือออกไปจากใจทั้งหมดโง่ก็อนจูที่ใจ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 โดยมากมันจะไปทางต่าไปทางกิเลสอย่าง ท, ทีตัวเองชอบถ้าตัวเองชอบทางไหนมันจะไปทางนั้นคนนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาเพราะเราพวกเราได้เข้ามาทั้งทีเข้ามานี้มาบวชในคราวนี้ถึงจะอยู่ในความลำบากเพราะเราผิดสถานที่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 แต่พระ อ, องค์ก็ตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ถึงร่างกายของเราจะเห่อแท้งไปด้วยปุโพโลหิตข้าพระเจ้าก็จะไม่ลุกออกจากที่นั่งโดยเด็ดขาดนะเพราะพระองค์ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นขนาดนั้นล่ะสู่กับขันธมารผลในสุดพระไทยใจของพระ อ, องค์ก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ชําระกิเลส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 อย่าให้คิดทะเลทรายไปดังอื่นนะกําหนดให้พุโทโธอยู่ที่นี่ปลายจมูกนะให้หยุดพุดโทโธอยู่กับตัวเองนะให้มีพุโทโธอยู่กับตนเองนะเราก็พยายามเอาพุโทโธอยู่กับตัวเองทุกอ ร, ริยาบทยืนเดินนั่งนอนพอตื่นขึ้นมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจฮนะนี่แหละถ้าเราทําอย่างนี้อีกสักครั้งหนึ่ง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 งอกเกยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆปรื่อติเรื่อยเรอเราเป็นไปได้ถูกต้เองมีความสุขที่อท้จริงจากนั้นก็ดูตา่แนวแรวที่ท่ายๆเรื่อยๆ่งส่อนสมร่อยๆเรื่อยๆเร่อยๆเรืนอยๆเร่เรื่อารืาอยรือยๆเร่อยๆรองเหตุและเลเห็ น, นอยๆเรื่อยๆเรือยๆตรื่อยๆเรืจอยๆเรื่องเราก็จะเบื่อยๆ่ายคลาอยๆเรืลจากอาๆวรืเล สรุปแล้วก็คือให้พวกเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่าไปถอยโลกทานี้เราผ่านมาแล้วตรงไหนดูปึนึกดูซิตรงไห น, น, น, นคือที่เราจะไวเนื้อเชื่อใจได้ความสุขตรงไหนมันมีมั้มในโลกความสุขที่แท้จริงถามดูิคำว่าสุขที่แท้จริงสุข อไม่มีการแปลผันพยางอื่นมีไหมมันไม่มีนะแต่คิดดูให้ดีนะมันไม่มีอในโลกนั้มันหาความสุขที่แท้จริงหาไม่มีมีแต่ความสุขจอมปลอมมิสุขหน่อยหนึ่งก็มีความทุกข์เข้ามาแทนที่เหมือนกับทานอาหารอิ่มอะไรอร่อยโห้อาหารอร่อยมากนะอีกไม่นานเลยมองหาห้องน้ําห้องส้วมแล้วยไม่ไม่ข้ามคืนนะท่าน